สมันเณรแล้วก็ศิลจารินีเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะกับหลวงพ่อที่นี่จำได้ไหมว่าเราเคยมาเจอกันเช้าวันแรกหลังจากที่ได้บวชใช่ไหมยี 23. มีนาตอนนี้เย็นนี้ก็เป็นเย็นสุดท้ายนะที่เราจะได้อยู่ในเพศ น, นักบวช ไม่ว่าจะเป็นสา ม, มนเญณหรือว่าศิลจารีณีุ่งนี้นะก็จะต้องลาศิกขาเว้นแต่ว่าบางคนอาจจะอยู่ต่อผ่านไปเร็วนะสามอาทิตย์ปุ๊บเดียวนะสามอาทิตย์แล้วนะจำที่หลวงพ่อบอกได้ไหมว่า 3-4 มสี่วันแรกนี้มันจะช้า แต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงนี่มันดูช้ากว่าจะผ่านไปแต่ละวันก็ต้องนับแล้วนับอีกนะแต่ว่าเปิดแป๊บเดียวนะสาอาทิตย์ละสังเกตจิตใจเราบ้างหรือเปล่านะเปรียบเทียบกันดูนะจิตใจของเรา วันแรกก่อนบวชนะกับมาถึงวันนี้มันแตกต่างกันหรือมันเหมือนกันหลายคนอยากบวชมากเลยนะถ้าไม่ให้บวชนี่ก็จะร้องห่มร้องไห้แต่พอได้บวชแค่วัน2วันก็อยากสึกนะใช่ไหมสึกกันไปหลายคนแล้ว ตอนก่อนที่บวชนี่โอ้ยอยากจะบวชมากเลยนะถ้าไม่ยอมให้บวชนี่ก็จะโกรธนะครั้นได้บวชจริงๆก็อยากศึกรู้สึกทุกข์ทรมารหรือเกินแต่ก็อีกหลายคนนะไม่อยากบวชแต่พอบวชแล้วไม่กี่วันก็รู้สึกสนุกนะอยากจะอยู่ต่อใช่ไหม หลายคนรู้สึกอะไรนะที่จะสึกออกไปแม้แต่หลวงพ่อเองตอนที่จะบวชพระนี่ก่อนบวชนี่ก็อะไรนะนี่เราจะต้องลาจากเพศคารวาดไปเป็นพระแล้วหรือนี่ต่อไปก็กินข้าวเย็นไม่ได้แล้วนะข้าวเย็นมื้อสุดท้ายนี่อร่อยมากเลยนะ บวดได้สามเดือนครบกำหนดก็อะไรไม่อยากศึกแล้วคิดอยู่นานนะแล้วสุดท้ายก็ไม่ศึกนะเผอแป๊บเดียวสามสิบสองปีแล้วใจของคนเรานี่มันลองสังเกตดูนะมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายคนที่ไม่อยากบวช พอได้บวชแล้วก็มีความสนุกมีความสุขด้วยนะสนุกกับสุขนี้ไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันได้แล้วเราสังเกตไหถึงแม้ว่ามาเป็นสา ม, มนเณรมาเป็นสิร จ, จารินีชีวิตก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนกับเวลาเราอยู่บ้านบางคนอยู่บ้านนอนห้องแอ มีโทรทัศน์ดูมีโทรศัพท์มือถือจะคุยเมื่อไหร่ก็ได้จะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าพอมาบวชแล้วนี่ชีวิตมันไม่สะดวกสบายเหมือนก่อนใหม่ๆก็ทุกข์เสียใจคิดถึงบ้านแต่พอ อยู่ไปได้สักสองสามอาทิตย์จนมาถึงวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขนะอยากอยู่ต่อแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ก็เหมือนกับบ้านสังเกตไม่ว่าความสุขนี่มันเกิดขึ้นได้ที่ใจเราแม้ว่ากายอาจจะลำบากต้องตื่นแต่เช้าตีสี 4, ต้องไปบินทาบาทเดินไกลบางสายก็หินก็แหลมทางก็ขรุขระแถมต้องเดินถอดรองเท้าไม่สะดวกเลยไม่เหมือนที่บ้านที่บ้านจะไปไหนก็มีรถไปส่งขี่บางทีก็ขี่จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์นะไม่ต้องเดินเลยก็ได้นะแต่ที่นีนะ่ต้องพึ่งลังลำแข้งของตัวเอง กินข้าวเสร็จฉันเสร็จก็ต้องไปล้างจานนะแล้วก็แถมยังต้องซักจีวรซักผ้าเองมันไม่สะดวกมันไม่สบายนะแต่ว่าใจเนี่ยรู้สึกเป็นสุขนะมันแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าความสะดวกสบายกับความสุขนี่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะ อยู่ที่บ้านสะดวกสบายแต่ว่าหลายคนไม่มีความสุขอยากจะออกจากบ้านแต่ว่าอยู่ที่นี่แม้มันคับที่นะเวลานอนก็ต้องนอนเบียดกับเพื่อนแต่ว่าใจก็มีความสุขไม่สะดวกไม่สบายกายนะแต่ว่าใจเป็นสุขนี่ได้นะ ในทางตรงข้ามถือแม่สะดวกสบายกายแต่ใจทุกข์ก็ได้เราชอบแบบไหนนะสบายกายแต่ใจทุกข์หรือว่าลำบากกายแต่ว่าใจเป็นสุขนะความสุขนี่มันเกิดขึ้นได้นะแม้ว่ากายจะลำบากแม้ว่าจะไม่สะดกสบายถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าการบวชนี่มันคุ้มค่าแล้วล่ะเพราะว่า แม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยหลายคนก็ยังคิดเลยนะว่าความสะดวกสบายกายกับความสุขใจเป็นเรื่องเดียวกันเขาก็ดิ้นลนนะไปหาเงินหาทองดิ้นลนที่จะหาสิ่งเป็นเพลออำนวยความสะดวกสารพัดแต่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขได้เงินมามากเท่าไหร่มีบ้านหลายคันมีบ้าน หลายหลังมีรถหลายคันก็ยังไม่มีความสุขส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่รู้จักพอสักทีอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่รู้ว่าความสุขที่แท้มีอยู่ที่ใจนะพวกเราไปค่ายนะไปนอนเต้นก็ลําบากนะลบากกว่าที่วัดอีกนะแต่ว่าก็สามารถจะหาความสุขได้ไม่ยาก มีนักเรียนคนหนึ่งนะอายุประมาณสัก13เป็นผู้หญิงนะเขาได้ข่าวว่ามีการสมัครเข้าค่ายละครเธอก็อยากจะเป็นนักแสดงละครแล้วก็อยากจะกำกับละครนะก็เลยสมัครเข้าค่ายนี้พอไปเห็นค่ายก็ ผิดหวังเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ถึงนะโทรทัศน์ก็ไม่ได้ดูนะเธอติดโทรศัพท์นะติดโทรทัศน์ด้วยอยากจะกลับบ้านนะแต่ว่าไหนๆก็สมัครไปแล้วจะกลับบ้านก็อายเขา ก็เลยอยู่อยู่ที่ค่ายก็ก็เหมือนกับอยู่วัดนั่นแหละนะที่น้อยก็ไม่สะดวกสบายแต่ว่าในค่ายเนี่ยนะเธอได้ได้เรียนเรื่องละครได้แสดงละครแล้วก็ได้ลองเป็นผู้ช่วยผู้กำกับลองเขียนบทนะพอได้ทํา แล้วก็รู้สึกใจชอบนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เธอรักอยู่แล้วค่ายมันก็อยู่ประมาณมีประมาณสักสหวันเธอก็เพลินเลยนะได้ร่วมกิจกรรมในค่ายพอถึงวันสุดท้ายไม่อยากกลับอยากจะอยู่ต่อเสร็จแล้วก็หวนขึ้นมาได้ว่าวันแรกที่เรามานี่เราอยากจะกลับบ้าน แต่ว่าวันนี้เราไม่อยากกลับแล้วอยากอยู่ต่อทั้งๆที่มันไม่ได้สะดวกสบายอะไรเลยนะโทรศัพท์ก็ไม่มีใช้เพราะไม่มีสัญญาณโทรทัศน์ก็ไม่ได้ดูเธอก็ได้คิดแลนะ้วเนะเอ้ความสุขนี่มันไม่เกี่ยวกับความสะดวกสบายนะแม้ไกลความสะดวกสบายมันก็มีความสุขได้นะ เป็นความสุขที่ใจและสุขเพราะอะไรนะสุขเพราะได้ทําสิ่งที่รักได้ทําสิ่งที่ชอบก็มีความสุขเธอก็ได้เรียนรู้เลยนะว่าโอ้ความสุขที่มาอยู่ที่ใจนะมันไม่ได้อยู่ที่อาหารไม่ได้อยู่ที่เพลงไม่ได้อยู่ที่สิ่งอำนวยความสะดวกความสุขจริงๆอยู่ที่ใจแม้ไม่มีสิ่งเหล่านี้นะเพลงละครอินเทอร์เน็ต แต่ว่าถ้าได้ทำสิ่งที่ชอบก็มีความสุขเหนื่อยนะอยู่ในค่ายเหนื่อยเพราะว่าต้องใช้ความคิดนะแต่ว่าเมื่อชอบสิ่อย่างนะมันก็มีความสุขได้เมื่อได้ทำให้เราลองสังเกตใจของเราดูนะว่าเราได้ประสบมีประสบการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่า เมื่อกี้เราก็ได้สวดไปนะว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสําเร็จได้ด้วยใจเนี่ยทำทั้งหลายนี่ก็รวมถึงความสุขด้วยนะความสุขนี่มันมีใจเป็นหัวหน้านะสำเร็จได้ด้วยใจพู้ง่ายคือว่าความสุขอยู่ที่ใจนะและความทุกข์ก็อยู่ที่ใจเหมือนกันถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านที่สะดวกสบาย แต่ถ้าวางใจผิดนะเจออะไรก็ไม่เอาสักอย่างไม่พอใจไม่ว่าจะได้อะไรมาก็ไม่พอใจหรืออยากได้อีกนะอันนี้ก็เราทุกข์แล้วสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนะมาไม่ได้อยู่ที่สิ่งของไม่อยู่ที่ของเล่นไม่อยู่ที่โทรศัพท์นะนะลองนะสังเกตจิตใจของเราดูนะ ก่อนที่เราจะศึกหาหลาเพศออกไปก่อนที่เราจากวันนี้ไปเนี่ยให้เราลองสังเกตทบทวนดูว่าความรู้สึกของเราก่อนที่มาบวชแล้วก็หลังจากบวชคือถึงวันนี้นี่มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะแล้วก็เชื่อเลยนะว่าถ้าเรามีความสุขระหว่างอยู่ที่นี่เนี่ยนะ มันก็ไม่ใช่เพราะาเรามีความสะดวกสบายแต่มาเป็นเพราะว่าเรานะได้ทำสิ่งที่เราชอบนะไม่ได้หมายถึงการทำตามใจตัวเองนะแต่หมายถึงการทำสิ่งที่มันมีประโยชน์มันมีคุณค่าได้แสดงความสามารถออกมานะอันนี้เรียกว่าสุขพอได้ทำนะเมื่อเราเมื่อเราได้ทำสิ่งที่เราชอบเราก็มีความสุข บางคนสุขเพราะว่าได้ทดลองทำสมาธินะแต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าสมาธิมันเป็นยังไงพอได้มาทำสมาธิเจริญสติก็พบว่าใจมันสงบนะความสงบนั่นแหละเป็นเชื่อของความสุขนะแม้ว่าจะเป็นสา ม, มนเณรหรือไม่ว่าจะเป็นศิลจารณีแม้จะอายุยังน้อยไม่ถึงสิบขวบนี่ ก็สามารถจะทำให้ใจสงบได้สงบเวลาเราสวดมนต์หรือสงบเวลาเราเจริญสตินั่งสมาธินะความสุขมันอยู่มันมีอยู่แล้วนะที่ใจเรานะมันมีอยู่แล้วที่ใจเราอยู่ที่ว่าเราจะเจอหรือเปล่าและสมาธหิหรือว่าการเจริญสตินี่แหละมันก็เป็นการพาให้เราได้รู้จักความสุขที่มันซุกซ่อนอยู่ในใจเรา มันมีอยู่แต่เราไม่รู้นะเหมือนกันในทะเลทรายมันมีน้ำอยู่แต่ว่าข้างบนเนี่ยมันแห้งผากนะแต่ลองขุดเข้าไปดูนะเจอน้ำนะน้ำก็ผุดขึ้นมาก็เรียกโอเอซิสนะหรือแม้แต่บางทีก็เจอน้ำมันนะในทะเลทรายที่กว้างใหญ่เวิ้งวางนี่มันก็มีของดีอยู่ข้างในอยู่ข้างใต้ ใจเราก็เหมือนกันนะมันมีความสุกซ่อนอยู่บางทีเราไปไปหาเอาจากข้างนอกไปหาเอาไปหาก็หาไม่เจอมีมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกเป็นชาวไร่อยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้แนะอฟริกาใต้นี่คงจะรู้จักนะ มันอยู่ใต้สุดของแอฟริกาประมาณสักร้อยปีที่แล้วนี่มันมีคนพบเหมืองเพชรนะไม่ใช่เหมืองทองนะเหมืองเพชรเพชรนี่มันแพงกว่าทองเยอะคนที่เจอนี่ก็รวยกันเขาก็อยากรวยก็เลยออกไปสแสวงหาเหมืองเพชรไอ้ที่ที่เามีอยู่เป็นร้อยร้อยไร่เนี่ยเขาก็ขายเลยนะ เพื่อจะมีทุนไปตามล่าหาเหมืองเพชรก็ได้เงินมาก้อนใหญ่ก็ออกเดินทางปีแล้วปีเล่าก็ไม่เจอสักทีคนโน้นเจอได้ข่าวว่าคนนั้นเจอคนนี้เจอแต่ว่าตัวเองนี่ไม่เจอก็ดิ้นลวนกระเสือกกระสนไปตามหาที่โน้นที่นี่ผ่านไปเป็นสิปีก็ยังไม่เจอเลย เงินทองที่สะสมมาที่ได้จากการขายที่ก็ค่อยหมดไปหมดไปในที่สุดก็กลายเป็นคนยากจนแล้วก็ตายโดยที่ไม่เจอเพชรไม่ได้อะไรเลยหลังจากที่เขาตายไม่นา น, นก็ปรากฏว่าไอ้ที่ที่เขาขายไปเนี่ยนะปรากฏว่ามีคนพบเหมืองเพชร เขาอยู่บนเหมืองเพชรต้องนานนะแต่เขาไม่รู้เขาเคิดว่าไม่มีค่าเขาก็เลยขายมันไปออกไปดันต้นออกไปหาสารพัดไกลแสนไกลแต่กลับไม่เฉลียใจว่าแท้จริงแล้วนี่ตัวเองนี่อยู่บนเหมืองเพชรมาตั้งแต่เกิดนะแต่ไม่เห็นค่าขายมันทิ้งไปซะเนะีย ไอ้ของดีมันอยู่กับเรานะแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไปคิดว่ามันมีอยู่ข้างนอกไอ้ของดีที่ว่านี่คือแล้วคือความสุขนะความสุขมันก็อยู่ในใจเราเนี่แหละแต่คนไปคิดว่ามันอยู่ข้างนอกก็ไปดิ้นโลนหาเงินหาทองอยากได้รถอยากได้โทรศัพท์อยากถ้าเป็นเด็กก็อยากได้ของเล่นถ้าเป็นเ่เป็นผู้ใหญ่ก็อยากได้นะ เงินทองบ้านรถยนต์นะเด็กบางคนก็อยากได้คอมพิวเตอร์ราคาแพงๆอยากได้โทรศัพท์นะไอโฟนนะพอได้มาก็ดีใจแต่ความดีใจก็อยู่ได้แค่ไม่กี่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนได้ไอโฟน e 6มาพอาพอเพื่อนถือไอโฟน 7, เ7 อ, อ๋อ รู้สึกอายแล้วไม่อยากได้แล้ว iPhone 6นะตอนนี้คนที่มี iPhone 4นี่ไม่อยากจะใช้แล้วอยากจะเคร่งทิ้งมากกว่าแต่ตอนที่ได้มาใหม่ๆอู้ดีใจนะเพราะว่าต้องไปแย่งไปแข่งไปเบียดเสียดไปเข้าคิวได้มาก็ดีใจแต่ตอนนี้อยากจะคว้างทิ้งแล้วเพราะว่าอายคนอื่นเขใช้ iPhone 6เรามาใช้นะไอโฟน4ะ สังเกตจิตใจเราบ้างหรือเปล่านะเวลาเราได้ของเล่นได้ของพวกนี้มาเนี่ยมันก็ดีใจแต่ความดีใจมันอยู่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนเสร็จแล้วก็ทุกนะอยากได้ใหม่จะไปหาความสุขนอกตัวไม่ได้ต้องหามาจากที่ใจเราและความสุขที่ใจมันก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราได้ทาสิ่งที่ชอบทาสิ่งที่รักหรือว่ารู้จักทาใจให้สงบนะ เราก็มาบวชกันนะสามอาทิตย์แล้วเป็นช่วงเวลาที่มีค่าก่อนที่เราจะศึกออกไปนีนะ่อยากจะให้เราลองมาทบทวนสักหน่อยนะว่าสามเดือนอสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างถามตัวเองนะให้ลองถามสักสามข้อ จะตอบวันนี้ตอบวันหน้าก็ได้ข้อแรกคือว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะีบางคนอาจจะบอกว่าโอได้เรียนรู้เรื่องธรรมะเนะีบางคนก็บอกว่าได้เรียนรู้ว่าบุญคืออะไรนะีถ้าบวชมาสาอาทิตย์ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนี่ถือว่าปล่อยเวลาผ่านเลยไป หลายประโยชน์นะเสียเวลาฟรีฟรีนะถ้าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเสียเวลาฟรีฟรีคนฉลาดเนี่ยนะเวลาสามอาทิตย์นี่ต้องได้เรียนรู้หลายอย่างอย่าว่าแต่คนเลยนะแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยผ่านไปสามอาทิตย์นี่มันก็โตผลไม้ผ่านไปสามอาทิตย์นี่มันก็ หวานอร่อยสัตว์เนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่ผ่านไปเปล่าๆนะจากตัวอ่อนที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่มันก็สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้มันก็มีประสบการณ์มันก็เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอันตรายอยู่ตรงไหนนะมีอันตรายมันได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ข้อที่สองเนี่ยนะเราได้รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นไหมนะรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหลายคนก่อนบวชก็รู้สึกว่าไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าพอบวชไปผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะรู้สึกว่าสบายเลยนะหลายคนก็ได้มาเห็นว่าเออเราเก่งกว่าที่เราคิดนะเราอดทนเราแข็ง เข้มแข็งกว่าที่เราคิดไว้นะอันนี้ก็ถือว่าได้รู้จักตัวเองนะได้เห็นว่าเราไม่ได้อ่อนแออย่างที่เราคิดนะแต่บางคนก็อาจจะเห็นตัวเองว่ามีนิสัยไม่ดีบางอย่างนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะถ้าเรามามาได้เรียนรู้ว่าเรานะมี สุดแข็งมีความสามารถยังไงบ้างมีความเข้มแข็งแค่ไหนนะรวมทั้งเห็นว่าเรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างนะบวชมาทั้งทีนะสามัคคีนี่ต้องได้เห็นต้องได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วนีนะ่เราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ ข้อที่3เนี่ยนะเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะบางคนอาจจะเพราะว่าโอ้อดทนอดทนมากขึ้นนะอยู่ง่ายมากขึ้นแต่ก่อนนี่เลือกกินแต่เดี๋ยวนี้กินง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงนะบางคนช่วยตัวเองไม่เป็นเลยนะอยู่ที่บ้าน พ่อแม่หรือคนใช้ทําให้หมดนะแต่ว่ามาตอนนี้นะเราช่วยตัวเองได้ล้างจานเป็นซักจีวรซักเสื้อผ้าของตัวเองได้อันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะบางคนใจเย็นกว่าเดิมนะแต่ก่อนใจร้อนเอาแต่ใจตัวแต่พอมาอยู่ที่นี่นะใจเย็นมากขึ้นอดทนได้มากขึ้น อันนี้ก็ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงนะให้เราลองนะกลับมาถามตัวเราเองนะว่าเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมได้รู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรบ้างนะการบวชนะสาอาทินี่ จะว่าไปมันก็สั้นนะแต่ว่ามันสามารถจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้โดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนะถ้าเราหันกลับมาดูใจของเราอยู่เรื่อยๆนะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วในใจนี้สำคัญมาก เวลามีความทุกข์ใจเนี่ยแต่ก่อนเราก็ชอบมองไปที่คนโน้นคนนี้ไปโทษคนโน้นคนนีน้แต่เราไม่ค่อยสังเกตนะว่าการที่เราปล่อยใจให้มีความโกรธให้มีความโมโหอันนี้นี่มันเป็นการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองใครๆก็บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่ว่าชอบปล่อยให้ความทุกข์ปล่อยให้ความโกรธ ให้ความเกลียดนี่มันครองใจเวลาโกรธเวลาทุกเนี่ยเวลาใครทำอะไรให้เราไม่พอใจนะเราก็ไปโทษเราก็ไปต่อว่าคนนั้นคนนี้แต่ไม่ค่อยมาดูใจแล้วว่าไอ้ใจที่ถูกความโกรธความเกลียดมันครอบงานี่ตัวนี้ต่างหากนะที่มันทำให้เราทุกเด็กที่ฉลาดเนี่ยนะเขาจะ แทนที่เขาจะไปไปแก้ที่ข้างนอกนี่เขากลับมาแก้ที่ข้างในนะไม่รู้เคยรอยาฟังหรือเปล่านะมีลูกของเพื่อนนะชื่อประวาล น, นะประวานยุตอนนั้นอายุประมาณสัห้าขวบประวานนี่เป็น เ, นเด็กที่ฉลาดปกติเวลาแม่แม่ว่าประวาลก็จะเถียงนะและประวาลก็เถียงเก่งเพราะว่าประวาล น, นี่เป็นคนที่ฉลาด แต่ว่ามีวันหนึ่งแม่ว่าปาวานปาวานเงียบไม่เถียงเหมือนก่อนเสร็จแล้วปาวานก็เดินหนีไปไปที่ห้องแม่ก็เดินตามไปพอแปลกใจว่าปาวานทำไมไม่เถียงแม่เหมือนก่อนไปถึงเห็นปาวานกำลังนั่งนิ่งก็เลยถามปาวานว่ากำลังทำอะไรปาวานตอบว่ากำลังสงบสติอารมณ์ครับนะ ประวัลรู้ว่าตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยกำลังทุกข์กำลังทุกข์กกเพราะโกรธทุกข์เพราะไม่พอใจแล้วก็ประวานก็รู้ว่าเมื่อมีความโกรธมีความทุกข์ในใจก็ต้องแก้ที่ใจของตัวนะแต่ก่อนประวานนี่ไม่รู้นะเวลาโกรธก็ไม่รู้ตัวนะก็ไปต่อว่าเถียงแมนะ่แต่ตอนหลังนี่ไม่รู้ใครสอนนะประวานก็ เวลาโกรธก็รู้ว่าใจกําลังโกรธแล้วก็รู้ว่ามันทุกข์เมื่อความโกรธทําให้ทุกข์ทำยังไงก็ต้องสงบสติอารมณ์สิพอสงบสติอารมณ์ก็หายทุกข์นะอันนี้ก็เรียกว่านะประวาวัเขาฉลาดนะเขารู้จักแก้แก้ทุกข์ให้กับตัวเองนะคนแม้กระทั่งผู้ใหญ่บางทีทุกข์แล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าทุกข์นี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไร ก็ไปคอยโทษคนนั้นคนนี้แต่ว่าไม่รู้จักที่จะทำใจให้สงบไม่รู้จักใช้สติมารับมือความโกรธ เ, เด็กอย่างเรานี่นะบางทีฉลาดกว่าผู้ใหญ่นะถ้าว่าเรารู้จักมาดูจิตดูใจของตัวบ้างนะแล้วถ้าเรารู้จักดูจิตดูใจรู้จักรักษาใจให้เป็นปกตินี่ แม้แต่เวลามีความเจ็บความปวดนี่มันก็ช่วยได้นะอย่างน้องไอนี่เด็ก3าสี่ขวบคนนะัตัวเล็กกับเราเยอะเลยนะวิ่งนะวิ่งสนุกนะไปชนประตูกระจกนะไม่รู้ว่ามันมีกระจกไม่มีประตูอยู่นะวิ่งไปชนประตูกระจกร้องโอ๊ยนะหัวกระแทกอย่างแรงเลยแม่ตกใจก็รียวิ่งมาจะมาอุ้ม จะมาปลอบจะมากอดน้องไอ้น้องไอ้นี่เห็นแม่มาก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งน้องไอ้จะนั่งสมาธิก่อนนะทำไมเพราะว่ารู้ว่าถ้าสมาธิแล้วเนี่ยใจมีสมาธิแล้วเนี่ยใจสงบแล้วเนี่ยความปวดมันจะลดลงนะปวดที่กายนะแต่ว่าถ้าใจสงบนี่ความปวดมันก็ลดนะจริงๆเวลาปวดกายเนี่ย ปวดหัวปวดขาเนี่ยคนไม่ค่อยสังเกตหรอกว่าใจมันก็ทุกข์ด้วยนะใจมันมีความโกรธเวลาเราเดินเหยียบหินแหลมๆหรือว่าโดนหนามแทงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปวดที่เท้าปวดที่แขนนะใจมันปวดด้วยคือใจมันเกิดโทสะใจมันเกิดความโกรธความไม่พอใจและความไม่พอใจเนี่ยมันก็ทําให้ความปวดนี่แรงขึ้น แต่ไม่รู้ว่าน้องไอ้นี่เขามีประสบการณ์เขาไปเรียนรู้จักใครนะเขาก็รู้ว่าถ้าทำใจสงบแล้วนี่ความปวดมันก็จะลดลงแม่ไม่ต้องอุ้มก็ได้แม่ไม่ต้องปลอบน้องไอจัดการเองนะแล้วสังเกตน้องไอก็ไม่ได้โกรธกระจกนะไม่ได้โกรธประตูนะบางคนนี่วิ่งชนกระจกนี่โกรธนะโกรธกระจกโกรธประตูว่าทาให้ฉันปวดนะบางคนก็เตะกระจกเตะประตูนะ แต่ว่าน้องไอนี่ไม่โกรธประตูนะไม่โกรธกระจกนะรู้ว่าถ้าจะแก้ทุกนี่ต้องมาแก้ที่ใจก็คือทำใจสงบปาวานใช้สติสงบอารมณ์ส่วนน้องไอใช้สมาธินะพวกเราบวชมาสามอาทิตย์นี่รู้จักสติรู้จกัจกสมาธิแล้วใช่ไหมนะใช้ให้เป็นนะใช้ใช้ บ, บ่อยๆนี่นะ ใจมันจะเย็นลงนะใจจะเย็นถ้าเราปล่อยให้ความโกรธมันเผาหล่นใจนี่แสดงว่าเราไม่รักตัวเองนะคนที่รักตัวเองนี่เขาไม่ยอมให้ใจนี่มีความโกรธความเกลียดเพราะว่ามันจะเป็นการทำร้ายตัวเองมันก็เหมือนกับว่าเรานะเอามือเนี่ยไปไปให้ไฟลนเนี่ยคนที่เอามือให้ไฟคนที่เอาไฟไปลนมือเนี่ย อันนี้ไม่ใช่เรยอคนรักตัวเองเพราะว่าทำ้ายตัวเองแต่ปกติเราก็ไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะเวลามือเราโดนไฟนี่เราก็รีบถอนมือเราออกเลยใช่มมือเราโดนไฟมือเราโดนน้ําร้อนนี่เรารีบดึงมือเราออกเลยมือเราโดนของแหลม้นาเรารีบถอนมือออกเลยแต่เวลาใจเราโดนไฟโทสระมันเผานี่ทำไมถึงประอบประงมไฟให้มันเผาลนใจอยู่เรื่อย ทำไมไม่คิดที่จะถอนใจออกมาจากไฟโทสะทำไมไม่คิดที่จะดับไฟโทสะนะแต่ว่าน้องไอ้กับปาวานนี่เขารู้นะเวลาโทสะเกิดขึ้นเวลาความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นนี่ไม่ต้องไปโทษไปด่าใครไม่ต้องไปเถียงใครไม่ต้องไปเตะประตูไม่ต้องไปเถียงแม่นะกลับมาสงบสติอารมณ์กลับมานั่งสมาธินะ จริงๆแล้วนี่มันไม่มีใครทำให้เราทุกข์นะมันมีแต่ใจที่ไม่มีสตินั่นแหละปล่อยใจให้ไม่มีสติเมื่อไหร่ปล่อยใจให้โกรธเมื่อไหร่ก็ทุกข์นะบางคนบอกว่าเนี่เพื่อนทาให้เราทุกข์นะทางานเป็นกลุ่มเพื่อนไม่ช่วยเราเพื่อนกินแรงเราก็ยิ่งโกรธโกรธเพื่อนบางคนบางที ล้างจานแต่ว่าเพื่อนไม่ล้างหรือว่าทำความสะอาดวัดให้เราทำอยู่เราทำตั้งใจทำแต่เพื่อนไม่ทำเสร็จแล้วก็เลยโกรธเพื่อนนะว่าเพื่อนกินแรงถ้าคิดแบบนี้นี่มันทุกข์นะมันเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเด็กฉลาดนี่เขาจะไม่ให้ใจเนี่มันเป็นทุกข์นะ มีเด็กคนนึงนะเป็นผู้หญิงนะอายุประมาณ13นี่เขาได้รับเชิญให้ไปออกรายการรายการพลเมืองเด็กพลเมืองเด็กนี่เป็นรายการของช่องทีวีไทยเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วรายการนี้ก็เอาเด็กมา3คนมาออกรายการให้ทากิจกรรมเลี้ยงมาบ้างทำความสะอาดโรงเรียนบ้าง แล้วก็ก็ทำคล้ายๆเป็นเรลิตี้โชว์ให้ครูให้พ่อแม่ดูว่าเด็กเขาแก้ปัญหาอย่างไรคราวหนึ่งก็เอาเด็ก3มคนเนี่ยมาช่วยกันขนของขึ้นรถไฟรถนะไฟมันก็มีเวลาออกนะต้องรีบต้องรีบขนแต่ปรากฏว่าบ่ายวันนั้นนีนะ่สมจิตจงจอหหอรู้จักไหมเกิดทันนะว่าสมจิตเนี่ยนักชกเหรียญทองโอลิมปิก น, นะขึ้นชกมีการถ่ายทอดสดนะ เด็ก2คนเนี่ยอายุ 12-13 นี่กำลังนะกาลังขนองเลยนะก็ก็แอบไปดูนะแอบไปดูถ่ายทอดสดในร้านกาแฟาข้างสถานีก็อยให้เพื่อนเป็นผู้หญิงเนี่ยขนของคนเดียวนะเด็กคนนี้ก็ขนนะไม่บ่นแม่อะไรเลยตั้งใจขนของพิธีกรก็เลยไปถามว่าเนี่ย หนูคิดยังไงที่เพื่อนเขาทิ้งหนูไปดูสมจิตชกมวยเด็กก็ตอบว่าเนี่ยหนูก็เห็นใจเขาเพราะว่าเขาเป็นแฟนสมจิตนานๆจะเห็นสมจิตขึ้นชกนะแต่หนูมันก็ไม่สนใจมวยหนูก็ทํางานของหนูไปดีกว่าพิธีกรก็ยังไม่พอใจนะยังไม่พอใจคําตอบแล้วก็เลยถามแย่แล้วหนูไม่โกรธไม่คิดจะด่าว่าเขาเหลือที่ทิ้งงานให้หนูทําคนเดียวเด็กตอบว่ายัางไงเด็กตอบว่า หนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อย2อย่างนะถ้าไปเรานี่เราจะเหนื่อยกี่อย่างนะเราอย่างเหนื่อยกี่อย่างนะอะอย่างเดียวหรือ2อย่างอย่างเดียวนะถ้าเราอย่างเหนื่อยอย่างเดียวเราก็ต้องไม่บ่นนะเพราะถ้าเราบ่นเนี่ยเรากําลังปล่อยให้ความโกรธนี่มันเผาใจเหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจไม่เหนื่อยใจไม่ทุกข์แต่ถ้าทําไปบ่นไปทําไปบ่นไปนี่เรียกว่า เหนื่อยส อ, อย่างเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจ น, นั่นเด็กคนนี้ก็ฉลาดนะก็รู้นะว่าถ้าไปบน่นไปโกรธใครเนี่ยมันจะเป็นการทําร้ายจิตใจตัวเองมันทําให้เหนื่อยใจด้วยเด็กเขารู้ว่าถ้าจะเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยอย่างเดียวดีกว่าไม่เหนื่อยสองอย่างบางทีผู้ใหญ่ยังทำไม่ได้แบบนี้เลยนะผู้ใหญ่ทําไปก็บ่นไปทําไปก็บ่นไปนะมึงกินแรงกูมึงเอาเปรียบกูนะอันนี้เราไม่ฉลาดนะเพราะว่าเหนื่อย2 อ, อย่าง เหนื่อทั้งกายเหนทั้งใจเพราะว่าไม่รู้จักมาดูใจตัวเองแต่ว่าเด็กคนนี้13นี่เขาฉลาดเขารู้เลยนะว่าถ้าโกรธเมื่อไหร่ถ้าบนบนโน่นบนนี่เมื่อไหร่นี่ใจมันร้อนใจมันทุกข์แล้วเขาก็รู้ว่าถ้าจะทุกข์แล้วก็ทุกข์อย่างเดียวคือทุกข์กายนะใจไม่ทุกข์นะว่านะ้นเรื่องการการที่เรามีสติมีสมาธิมันดูใจตัวเองอยู่บ่อยๆนี่สําคัญนะ วิชานี้สำคัญมากแม้สึกออกไปก็ยังทำได้ทำต่อไปหรือถ้ายังทำยังทำไม่พอก็ทำไปเรื่อยๆนะก็ตั้งใจนะคืนนี้คือสุดท้ายของพวกเราแล้วนะก็ทำให้สุดฝีมือเลยนะอ่ะเราก็พูดกันเท่านี้แหละอ่ะกลับห้พร้อมกัน